สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซูตอนที่ห้าร้อยสามเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่แปดในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่สี่ครับซึ่งสืบต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้ในพระธรรมฮีบรูบทที่สี่นะครับเราพบเมื่อวานนี้ว่าสามารถแบ่งเป็นสองตอน สามารถแบ่งเสองตอนตอนแรกนั้นเกี่ยวข้องกับที่พำนักอันสาวรครับนะการเข้าสู่การพำนักอันสาวรที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราทั้งหลายต้องระวังครับบางคนอาจจะไปไม่ถึงนะครับและในตอนที่สองของพระธรรมฮีบรูบทที่สีน่นี้ก็พูดถึงเรื่องของพระวจนะครับพี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฮีบรูบทที่สี่ข้อที่สิบสอง ผมจะอ่านข้อที่ส2บสองจนถึงข้อที่สิบหกนะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวิจัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งตอพระองค์ ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยเขตฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการเพียนะครับเพราะเจรณะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นได้เน้นนะครับว่าเพราะเจรณะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรให้เรามาเริ่มนะครับในข้อที่สิบสองในฉบับภาษาไทย แปลนะครับ king james นั้นเราได้พบว่ามีคําที่น่าสนใจครับขณะที่ฉบับ1971แปลว่าไม่ตาย king james แปลว่ามีชีวิตเพราะว่าพระเจ้ะของพระเจ้านั้นมีชีวิตพระเจ้าของพระเจ้ามีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคําว่ามีชีวิตนั้นภาษาเดิมใช้คําว่า s าโอแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้ชีวิตครับ มีชีวิตและให้ชีวิตมีชีวิตเพราะไม่ได้ตายครับมีชีวิตเพราะว่ามันสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์อานาจฤทธิเดชการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังภาพมากครับนะพระเจ้าของพระเจ้าทรงพลังภาพนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับนามาซึ่งผลสัมฤทธ นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพลานุภาพนะครับมีความหมายว่าได้ผลเนะพราะพระจ้ของพระเจ้านั้นได้ผลเมื่อเข้าไปในชีวิตของใครก็แล้วแต่มันจะเกิดผลครับมันจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นนั้นบริสุทธิ์ขึ้นจะทำให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในน้ำมัธยของพระเจ้าเดินอยู่ในมันคาของพระเจ้านี่คือพลานุภาพอันทรงฤทธานุภาพหรือทรงพลังครับ ของพระคัมภำ พ, พีน้องครับพระคัำพีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจรึงควรอ่านทุกวันนะครับเราจรึงควรทวาําความเข้าใจกับในพระคมพีทุกวันผมอยากจะเป็นพยานถึงอาจารย์ของผมท่านหนึ่งครับคืออาจารย์หมอเฮนรี่ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศทุกคนเรียกท่านว่าอาจารย์หมอน้องครับท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมามากกว่าห้าสิบครั้งนะครับตั้งแต่พระคมพีเดิมประถมการจบ จนถึงพระธรรมวิวรครับในชีวิตของท่านเนี่ยมากกว่าห้าสิบเที่ยวแล้วท่านได้ให้พระทพีนะครับข้อพระทัพีกับผมทุกครั้งที่ได้มีโอกาสาไปเยี่ยมสิ่งที่เราพูดคุยกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรื่องต่างๆนาน า, น า, นาจิปลาถะไม่ใช่ครับแต่ทุกครั้งที่เข้าไปพูดคุยไปเยี่ยมท่านนั้นท่านก็พูดพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับ พระเจ้าในของพระเจ้านั้นไม่ตายหมายความว่ามีชีวิตแทงทะลุกระทั่งจิตและวิ ญ, ญญาณตลอดจนข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยนะครับที่นี่นะครับได้พูดถึงระดับนะครับสามระดับก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณผู้เขียนมาทําฮีบรูได้พูดถึงองค์ประกอบหลักของมนุษย์ก็คือกายนะครับจิตใจและ จิตวิญญาณและเปรียบเทียบพระเจ้าของพระเจ้าเหมือนกับมีดผ่าตัดที่คมกริบทรงประสิทธิภาพสามารถแทงทะลุลึกไปกว่าระดับความคิดลึกไปกว่าระดับความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นที่ลึกไปกว่าระดับความคิดลึกไปกว่าระดับความรู้สึกนั่นก็คือวิญญาณจิตของเรานะครับพระเจ้าของพระเจ้านนั้ข้ามพ้นหลักเหตุผลข้ามพ้นหลักการทางจิตวิทยาทุกอย่างนะครับ อยู่เหนือหลักการเหตุผลทุกอย่างอยู่เหนือหลั ก, กจิตวิทยาที่มนุษย์สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้แต่นี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานมาจากเบื้องบนเป็นการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขียนออกมาถูกเขียนออกมาด้วยคนของพระองค์เพื่อที่จะสื่อสารเพื่อที่จะวิจัยเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้เหมือนกับว่าปรากฏแจ้งต่อเบื้องพระพักของพระเจ้า คำว่าปรากฏแจ้งต่อเบื้องพระภาคของพระเจ้านั้นก็มีความหมายครับก็คือเปลยเปล่าปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ในข้อที่สิบสามพี่น้องครับตรงนี้ทําให้เราเห็นว่า ม, มีดผ่าตัดนั้นคือพระเจ้าของพระเจ้ามีดผ่าตัดนี้เป็นเหมือนกับดาบครับดาบดาบนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าดาบยาวๆที่ใช้ต่อสู้กันในสงครามในสมัยก่อนแต่เป็นแบบดาบมีดครับมีดดาบ ขนาดใหญ่เพื่อไว้ตัดชิ้นเนื้อสัตว์ครับนะใช้ในการผ่าตัดนะครับมากกว่าที่จะเป็นดาบเล่นออยาวๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นของพระเจ้านะั้นมีความคมครับตรงนี้คําว่าว่าเหมือนกับดาบนะครับดาบสองคมเน้นที่ความคมนะครับเน้นในการที่จะแยกความผิดออกจากความถูกเน้นในการที่จะวินิจฉัยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือ ความสามารถหรือลิขหนุภาพของพระเจ้าของพระเจ้าเพราะเจ้าของพระเจ้ า, าเหมือนกับมีดผ่าตัดในมือของศัลยแพทย์ครับนะเพราะเจ้าของพระเจ้านะครับเหมือนกับมีดผ่าตัดในมือของศัลยแพทย์เพราะเจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนไข้ผ่าตัดนั้นจะต้องนอนสลบและเปือยเปล่าต่อนหน้าศัลยแพทย์ชันใดฉะนั้นครับก็คือไม่มีสิ่งที่ทรงสร้างใดๆที่ไม่ได้ปรากฏนะ ไม่มีสิ่งทรงช่างใดๆที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระเจ้าะทุกอย่างนั้นจะต้องถูกเปิดเผยและปรากฏแจ้งต่อพระภักของพระเจ้าและก็พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของร่างกายเท่านั้นแต่ยังทรงทราบถึงรายละเอียดภายในวิญญาณจิตทรงทรงทราบถึงระดับความรู้สึกความมุ่งหมายในใจและระดับจิตวิญ ญ, ญาณนะครับ เหมือนกับศัญญาแพทย์ที่ศัญญแพทย์ที่ผ่าตัดเปิดร่างกายมนุษย์เพื่อหาก้อนเนื้อร้ายนะครับเพราะเจนะของพระเจ้าก็ผ่าเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับหานะครับแล้วก็ตัดความบาปนะครับอุปกรณ์ผ่าตัดที่พระเจ้าใช้ในการทำให้จิตของพระองค์ก็คือพระกัมภีร์พราะเจนะของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่ามีชีวิตทร ง, งประสิทธิภาพนะครับและคมยิ่งกว่าดาบสองคมมีอยู่สามประการครับมีชีวิตคือให้ชีวิต ทรงปฏิภาพคือได้ผลนะครับและคมยิ่งกว่าดาบสองคมหมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะหลุดพ้นนะครับเ ล, เล็ดเล็ดรอดไปได้พี่น้องครับเรามาถึงในข้อที่สิบสี่ครับพระเจนาของพระเจ้าฮีบรูที่สี่ข้อสิบสี่ได้กล่าวว่าพระเยซูนั้นเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่นี่คือจุดประสงค์หลักของพระธรรมฮีบรูครับพระธรรมฮีบรูถูกเน้นย้ำเสมอ ว่าเรามีพระเยซูผู้ซึ่งเป็นมหาโปรหิตธิหิดใหญ่นั้นที่ผ่านพ้นสวรรค์ไปแล้วครับขอให้เราทั้งหลายมั่นใจในการยอมรับพระเยซูครับว่าพระเยซูนั้นเป็นมหาโปรหิตผู้เป็นใหญ่ของเรานะครับทรงเป็นผู้พระผู้ช่วยรอดของเรานะครับเป็นมหาโรหิตครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นคงอย่าปล่อยนะครับความเชื่อของเราไปตามมีตามเกิดนะครับ เราจะต้องมั่นคงและจากพระนจ้าของพระเจ้าทําให้รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นมหาปุโรหิตนะครับและมหาปุโรหิตที่เรามีอยู่นั้นไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเรานะครับไม่ใช่พระอิฐพระปูลที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับแต่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการครับอันนี้คือความสําคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่า การเป็นมหาผลิตของพระเยซูนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราอย่างไรในเช้าวันนี้ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเข้าใจถึงพระเจ้าของพระเจ้าและเห็นถึงความสําคัญแห่งพระเจ้าของพระเจ้าและประนาทตัวสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันทุกวันอาเมน